2.28 ท่านอาจารย์พระมหาบัวสอนหลวงพ่อวงเล็บเปิด15มิถุนายน2551เวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นเรามีสติขึ้นรู้ตัวขึ้นมาแล้วต้องรู้กายต้องรู้ใจถ้าไปรู้อย่างอื่นใช่ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยศึกษากับท่านอาจารย์มหาบัวตอนนั้นเคยเขียนจดหมายไปถามท่านสมัยท่านหนุ่มๆกว่านี้นะท่านก็ตอบมาบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอก การปฏิบัติมีนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันปิดเครื่องหมายคำพูดนี่สอนเท่านี้เองเพราะฉะนั้นมีสตินะแล้วก็รู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปนี่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาแค่นี้แหละ